ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาลูกหลานที่รักสำหรับวันนี้ <c oughs> ก็ขอมาพบกับบรรดาลูกหลานในเรื่องขราพุทเจ้าในมีราชต่อไปตอนที่จบมาแล้วในตอนต้นหลวงปู่ว่าเรื่องห้ศีลทานเสพเลินย้อนหลังอีกนิดหนึ่ง พตามเรื่องราวก็มีอยู่ว่าเมื่อในมีราชยินดีในการบำเพ็ญทานนางสาวโมโสตศีนตั้งแต่ทรงพยาวเพื่อเป็นเด็กแล้วก็เมื่อในมีราชกุมารโตเป็นหนุ่มราชบินดามีความเมื่อน่ายในราชสมบัติเห็นความไม่เที่ยงแท้ของสังขารตามท่องเรื่องทั้กล่าวว่า พระองค์เห็นแม่เกศาเข้าพระองค์ออกเพียงเส้นเดียวเธอตามปกติก็สั่งในช่างตัดผมว่าวันไหนถ้าเธอเห็นผมฉันงอกเธอก็บอกด้วยนะวันหนึ่งในช่างตัดผมเห็นเกศาเข้าพระองค์ออกก็ยังกราบทูนนลได้ทรงทราบพระองค์ก็ถามว่าบอกว่าเธอยังถอนไม่เช่นดูซิ เขาเจอแหนบทองคําค่อยๆขีดเส้นผมที่งอกออกมาให้ดูเมื่อเธอเห็นแล้วก็คิดในใจว่าเวลานี้ความตายมันใกล้เราเข้ามาแล้วถ้าหากว่าเราจะมัวเมาอยู่ในทรัพย์สินอย่างนี้มันก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าพระราชทรัพย์ที่ได้มานี้ก็ได้มาจากพระราชวิดาแล้ว พระมารดาสำหรับพระราชินดาและพระราชมรรดาก็าปกครองพระราชย์มันโดยพระเจ้าปู่พระเจ้าปู่ก็ได้จากมาจากพระเจ้าทวดสืบขึ้นไปคนทั้งหมดทั้งหลายเหล่านั้นเป็นกระสั์อย่างเราแต่ท่านก็ตายแต่เวลาที่ตายแล้วสมบัตินิดเดียวก็ไปไม่ได้ ในเมื่อเราเวลานี้แก่เท่าแล้วถ้ามัวเมาอยู่ในทรัพย์สินให้ลาบโยนเสนสุขมันก็จะมีแต่ความทุกข์หาความสุขอะไรไม่ได้ยังตัดสิ้นพระไทยออกหมดเพื่อสละราชสมบัติมอบให้นในมิกุ ม, มารราชโอรสสืบนักษาต่อไปเรียบปกครองต่อไป พระองค์เองพระองค์เองก็ทรงออกบทที aman, Now, proof, Now, ่เขาเรียกกันว่าบรรดาชาหรืออุปสมบทเมื่อบทแล้วก็อาศัยอยู่ในพระราชนิยานแห่งหนึ่งไม่ไปทําไหนนั่งเจริญสมถะทรงศีลภาวนาในที่นั้นย่อว่าท่าเสด็จสวรรคตมาสวรรคตแปลว่าตายนะจ๊ะลูกหลานที่รักจะลืมคําว่าสวรรคตในแปลว่าตาย สวรรค์ น, นาคแต่ปลายจริงๆข้าตะข้าเปาไปสวรรค์ก็ไปลไปสวรรค์สวรรค์เป็นแดนที่อยู่ของคนดีนรกเป็นแดนที่อยู่ของคนเลวถ้าใครชอบเที่ยวที่เรียกว่าสหัจรตามภาษาบาลีตามภาษาสารีเาเรียกสะหาจรนแปลว่าชอบเที่ยวไปเที่ยวมาถ้าเราเที่ยวไปเกเรเกตุว เราก็ไปสวรรค์ไม่ได้ต้องไปนรกถ้าเราไปเที่ยวดีเที่ยวในการให้ทานทเที่ยวในการสงเคราะห์เห็นใครเขายากจนเข็นใจแล้วก็ช่วยเขาตามกำลังที่เราจะช่วยได้อย่างนี้เรียกว่าสหาหจรคือเที่ยวไปสวรรค์สำหรับสวรรค์หรือนรกสาหรับในอนาคตเราก็ไม่น่าจะคิด เราคิดเที่สวรรค์นรกในปัจจุบันดีกว่าสวรรค์แปลว่าความสุขใจสุขกายด้วยแล้วก็สุขใจด้วยนรกแปลว่าการทุกข์กายหรือว่าทุกข์ใจมีแต่ความเดือดร้อนอาจารย์ทักว่าถ้าเราจะเที่ยวไปที่เรียกว่าสหาจรตามภาษาวลี อารจอแปลว่าการชอบเที่ยวถ้าเราเที่ยวไปสร้างความดีเที่ยวไปแล้วก็สงเคราะห์คนที่เขามีความลําบากอย่างที่พระบาทสมเด็จพีะหัวร่วมด้วยท่านนายกและธรมตรีคือ ท, ท่านบุนเอกเกลี้งศักดิ์ชมนันในฐานะที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลและบรรดาพี่น้องชาวไทยส่วนใหญ่พร้อมทั้งพิสุทธิ์มัเลน ร่วมกันเสียสละแรงกายแรงใจสงเคราะห์คนที่ยากจนในทินทุรกันดารยังมีองค์การต่างๆบ้างมูลนิธิบ้างและศูนที่ทำปู่ต้า ง, างอย่างนี้เขาเรียกสาธารจลไปในด้านของความดีเราให้เขาเขามีความสุขเขาก็รักเราเราก็มีความสุขดีกว่าสาธจรที่เที่ยวไปนินทาว่าร้ายชาวบ้านชาวเมือง ไนี่ขออภัยนะคำว่าสหาจรนี่บังเอิญไปตรงกระชื่อของใครก็ขอโปรดประทานอภัยด้วยอย่าไปคิดว่านินทาว่าร้ายนะความจริงไม่เกี่ยวข้องคุณให้ลูกหลานฟังว่าบางทีพระท่านชอบเทศว่าสหาจรสหไปอะไรสาอะไรก็ตามคำว่าสหานี่ก็เประบารวม ร่วมกันไปร่วมหรือกับแล้วร่วมกันเที่ยวไปทัศนาจร่ะเวลาทัศนาจรเขาไม่ได้ไปคนเดียวเขาไปหลายหลาคนอย่างนี้เขาเรียกว่าสหาจรทัศนาจรแปลวไปดูถ้าไปคนเดียวก็ไม่ใช่ํารมะสะหถ้าต่างเดียสองคนกันไปเขาเรียกสหสหทัศนาจรคือร่วมกันเที่ยวไปหรือไปเที่ยว นี่ถ้าไปเที่ยวดีแล้วก็พบสวรรค์ไปเที่ยวชั่วแล้วก็พบนรกถ้าเที่ยวดีไปที่ไหนไม่เกเลเกตุงไม่ทําร้ายเขาไม่รักไม่ขโมยของเขาไม่แย่งความรักของเขาไม่โกหกใครไม่กินเหล้าเมายามีให้ทานการสงเคราะห์ตามสงควรเราก็เป็นที่รักเราก็มีความสุขนี่เป็นสวรรค์ชาตินี้ควรจะหาไว้ สวรรค์ชาติหน้าเป็นยังไงไม่ต้องห่วงเราหาสวรรค์ชาตินี้ให้ได้ก็แล้วกันไปที่อยู่ที่ไหนเป็นที่รักของคนทั่วไปไปที่ไหนมีแต่ความสุขเขาไม่มีใครเขาเกลียดไม่มีใครทำร้ายถ้าเราเที่ยวไปอย่างคนเกเรชอบนินทาว่าร้ายคนนั้นนังเกย์คนนี้ตีคนโ น, น้นรักคนนี้ขโมยคนนั้น หรือว่าโกหกคนนั่นกินเหล้าเมายาอย่างนี้เ็าเรียกสหาหจรไปนรกทานี้เพราะอะไรก็มีแต่คนเกลียดถ้าเราไปตีเขาชกเขาเขาก็ชกเราบ้างเราด่าเขาเขาก็ด่าเราเรานินทาเขาเขาก็นินทาเราถ้าเรารักขโมยของเขาเขาก็ทำร้ายร่างกายเราให้จับให้เจ้าหน้าที่จับไปขังคุกค้อนตาราง เราไปยื้อแย่งความรักของบุคคลอื่นคนรักเขาก็จะฆ่าเราเขาทำร้ายเราเพราว่าเราไปโกหกหมดเท็เขาเขาก็เกลียดเราเรากินเหล้าเมายาเสียสดังเปล่าและเป็นที่น่าดังเกตียดของสังคมฉะนั้นขอลูกหลานที่รักจงเป็นนักสหจรประเภทดีที่เรียกันว่าสวรรค์นในปัจจุบันแต่ประเภทชั่วเขาเรียกว่านรกในปัจจุบัน เรื่องตายแล้วไปสวรรค์บรรกไม่ต้องคิดคิดแต่เพียงว่าถ้าชาตินี้เรามีชีวิตนี้เราทําความดีการตายไปแล้วถ้าเกิดใหม่มันก็เหมือนกับวันทพวงนี้วันนี้เราทําความดีไว้เจอใครยกมือไหวใครเขาจนเราให้เราสงเคราะห์วันทพวงนี้เราพบเขาก็จะมีแต่ความยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นที่รักของบุคคลผู้รับไหว เป็นที่รักเขาบคุคคนเขารับทานความชื่นบันมันก็เกิดกับเราถ้าวันนี้เราด่าเขาเราตีเขาวันนี้เรารักเราขโมลเขาวันพรุ่งนี้เราจะพบเขาเข้าเราก็จะพบกับศัตรูเขาก็จะคิดประทุสร้ายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มเราก็เกิดความลำบากเป็นความเล่าร้อนอันนี้นรกปัจจุบัน ฉะนั้นขอลูกหลานทัง้งหลายที่รักถ้าจะเป็นนักษาจรเที่ยวไปทําไหนจงทําใจของตนให้อยู่กับสวรรค์ปัจจุบันคือมีความสุขเล่าเรื่องกันต่อไปนะจ๊ะเมื่อพระเจ้าในมีราชสําหรับองค์ลูกนะทรงครองราชจะสมบัติมาพระองค์ก็ได้โปรดให้สร้างส้าลา สำหรับให้ทานเป็นห้าแห่งนี่การให้ทานนี่เป็นปัจจัยของความรักนั้ลูกหลานที่รักอย่าลืมนะจ้าท่านเป็นคนรวยเพราะเป็นพระราชามีเงินมากท่านได้ตั้งโรงทานห้าแห่งเราไม่รวยเหมือนท่านมีข้าวเย็นและมีสตางเล็กน้อยเพราะอยส่งข้อกับเพื่อนได้แล้วก็ส่งข้อตางกําลังก็หมดเรื่องกัน ก็เชื่อว่าเราทําความดีอย่างท่านถึงแม้ว่าทําไม่เท่าท่านเราก็มีความดีขึ้นเชื่อว่าความดีนี้ทําที่ไหนดีที่นั่นอะลูกหลานที่รักจงพยายามทําไว้เมื่อพระเจ้านี้มีราชทรงอทรงตั้งลงทานห้าแหง่งที่ดินประตูพระนครสีแ่แห่งและถ้ำกลางพระนครอีกหนึ่งแหง่ง ทรงบริจาคพระราชทรัพย์วันละห้าแสนกะหาบนะกะหาบณะหนึ่งเท่ากับสี่บาทห้าแสนกะหาปณะน์นี่ก็วันประมาณสองล้านบาททรงรักษาสินห้าเป็นปกติคือว่าวันธรรมดานนะพระองค์ทรงรักษาสินห้าแล้วก็ทรงสมาทานคือรักษาวโวสตศีลในวันพระ ทรงสแสดงทรรมสั่งสอนบรรดาประชาชนให้มีความตั้งมั่นคือรักษาศีลให้บริสุทธิ์เหมือนพระองค์ให้อยู่ในศีลและก็ในธรรมด้วยสำหรับศีลห้าข้อธรรมะที่ให้รักษาก็ได้แก่พรมวิหารสี่คือหนึ่งทุกคนมีความรักซึ่งกันและกันเป็นปกติ แายการที่สองให้สงสารเกือ้อกูลซึ่งกันและกันช่วยเหลือกันไม่ยามมีความทุกข์รายการที่สามไม่อิจฉาดิสยากับคนอื่นเมื่อคนอื่นเขาได้ดีถ้าใครก็ทําความดีก็มองดูว่าเขาทําำมาเขาถึงดีเห็นเขาทําอย่างไหนดีทําตามเขารายการที่สี่มีใจจะมีอารมณ์ใจเฉย คำว่าเฉยในที่นี้หมายความว่าบางเอิญคนอื่นจะทำพลาดทั้งไปบ้างเราก็ให้อภัยไม่ทําใจโกรธอันนี้เป็นธรรมที่พระเจ้าในมีราชทรงสอนให้คนอื่นปฏิบัติตามคือว่าคนทั้งประเทศบรรดาประชาชนทั้งหมดมีความรักในพระเจ้าในมีราชพระพระองค์ใจดี รงมีสินห้าบริษษสุทธิ์ทรงบสุทตสินแล้วใจสบายเป็นที่รักของคนนอกจากนั้นก็ยังพระราชทานลงทานจ่ายเงินวันสองล้านบาทในสมัยนั้นถ้าสมัยนี้เราต้องคิดถึงสองร้อยล้านบาทคนที่ยากจนคนกำพร้าคนเดินทางไม่มีจะกินจะมากินอะไรกันได้ ในขั้รื่องการพูดแจกทานสมัยนั้นก็ไม่โกงไม่กินไม่กีดไมกันพระราชาสมพระเจ้ทานทรัพย์มาเท่าไรเพื่อทานเ้าก็จัดการให้ไม่มีผีผสมไม่ใช่หมายความว่าให้มาสองล้านบาทจ่ายแค่ห้าแสนบาทโกงไปสิล้านห้าแสนคนเลวๆอย่างนี้ไม่มีในสมัยนั้น เนี้อดีไม่ดีก็เอาเปอร์เซ็นต์อะไรพวกนี้เป็นต้นเมื่อคนเขาก็ดีข้าการสมัยนั้นคนดีไม่โกงไม่กินบรรดาประชาชนก็ได้กินอิ่มหนำช่ำราญก็เกิดความรักเมื่อมีความรักในพระราชาพระราชาให้ตั้งอยู่ในศีลเขาก็เป็นคนมีศีลให้ตั้งอยู่ในธรรมคือพรหมวิหารสี่เขาก็ตั้งอยู่ในธรมรมเจ้านั้น คนทั้งหมดในประเทศนั้นจึงเป็นคนดีทั้งหมดคุกตารางไม่ต้องสร้างตำรวจทหารไม่ต้องมีไม่ต้องเสียสตางสร้างอาวุธทำเปลืองเงินไม่ต้องเสียสตางสร้างเรือจำไม่ต้องเสียสตางจ้างผู้คุมไม่ต้องเสียสตางจ้างคนเป็นพว้อํานการเป็นแหเผลอเป็นข้าการไม่ต้องเสียอะไรทั้งหมด คนทุกคนเป็นคนรวยหมดมีความสุขท่านกล่าวแต่ว่าขั้นสิ้นชียไปแล้วคนบรรดาคนทั้งหลายนะลูกน้องเขาพระเจ้าในยมีลาชเนะี่ยเขาไม่ได้มาตายที่หลังพระเจ้าในวมีาชทุกคนหลอกคนที่แก่กว่าและคนเกิดที่หลังมา่อที่าตายก่อนกันนี่คนพูกนั้นก็ตายไปตั้งเยอะแยะในคนทั้งประเทศในลูกหลานที่รัก ี่ก็ตายไปตายไปตายไปก็ไปเกิดบนสวรร์เต็มให้บอกบนสวรรค์เนี่ยเต็มบริเทพเจ้าคือเป็นเทวดากันเป็นแถวนี่มีคนเขาบอกว่าหลวงปูน่นี่ตั้งลัทธิวิมานเ้าว่าอย่างนั้นนะความจริงวิมานนี่ครับแปลแดนของความสุขแต่คนดีก็อยู่บ้านบ้านก็เหมือนวิมาน คนดีอยู่ที่กันก็บ้านก็เหมือนสวรรค์นี่ตามหลักสูตรของท่านบอกปรากฏว่าคนที่ตายไปเกิดบนสวรรค์เต็มไปหมดส่วนมากคนของพระเจ้าในมีราชไม่เคยลงนรกเลยท่านบอกว่าทําให้นรกต้องว่างเปล่าไปตั้งเยอะแต่ว่าก็ยังมีอยู่นะเพรคนประเทศอื่นเขายังเลวเขาก็ไปตกนรก แต่ว่าเมืองของพระเจ้าในมีราชทุกคนตายแล้วไปสวรรค์หมดความจริงเรื่องนรกสวรรค์มีจริงจริงนาจ๊ะลูกหลานที่รักเวลานี้เขาฝึกเที่ยวสวรรค์กันเขาฝึกเที่ยวนรกกันใครอยากจะสารจรไปสวรรค์ไปนรกไปดูกันลองฝึกดูก็ได้อยากจะขี้ตัวอย่างให้ดูเด็กทั้งสองคน ไปหาท่านพลโททนทองส่วนนทัศเ ส, น า, าเาเสนาธิการอ่าเสนาธิการทหารคือเป็นรองเสนาธิการทหารดีไม่ดีหนังสือนี้และเสียงกว่าจะได้ฟังท่านเป็นพนเอกแล้วคนได้ท่านมีหลานชายของท่านสองคนที่ร้องปู่บันทึกเสียงวมนนี้เป็นวันที่สี่ เป็นวันที่4ตุลาคม2521คือต้องปู่ไปเห็นเองหลานชายของท่านคนหนึ่งอายุ10ปีอีกคนหนึ่งอายุ7ปีคนนี้ได้ทิพย์ุยานแล้วก็ได้ได้มโนยุธิที่เรียกกันว่าพิญญาเธอเที่ยวสวรรค์ได้เที่ยวนรกได้แล้วเที่ยวไปในเมืองมนุษย์ี่ได้โดยไม่ต้องขึ้นรถขึ้นเรือ เรื่องนี้มีจริงถ้าลูกหลานที่รักอยากจะเป็นนักสายจอแล้วก็เป็นสายจอไปดูสวรรค์สายจอไปดูนรกสายจอไปดูพรมสาจอไปเมืองโน้นเมืองนี้โดยไม่ต้องเสียงเงินค่าพานะไปขอศึกษากับหลานชายท่านพนโททนทองสุวรรณทัในระหว่างที่พอ่อปู่พูดนี่ท่านเป็นพนโท ถ้าเสียงนี้กว่าจะออกท่านอาจจะเป็นคนเอกแล้วก็ได้ไปถามท่านว่าคนสองคนหลายของท่านอยู่ที่ไหนแล้วก็ไปศึกษาไปถามดูว่าทำยังไ ง, งถึงนี้ไปเที่ยวกันได้ไปเที่ยวสวรรค์ก็ได้ไปเที่ยวนรกก็ได้แล้วก็ลูกหลานที่รักปฏิบัติตามนั้นจะเป็นนักสาจรเที่ยวสวรรค์นักสาจรเที่ยวนรกชมมีมานต่างๆได้ตามอัตยาศัย แต่ว่าจงเว้นนะเว้นคือการไม่ละเมิดสินห้าชอบการให้ทานไม่นินทาว่าร้ายไม่เสียดสีไทยถ้าสินห้าไม่มีการให้ทานไม่มีการธรรมะพรมิหารสีไม่มีชอบนินทาว่าร้ายเสียดสีไครแล้วก็ยาหัสจารย์ฮาจรไปได้แต่นรกแล้วอยู่ที่นั่นเลยไม่มีโอกาสกลับเข้ามาเป็นคนอีกละ กว่าจะมาเป็นสัตติยฉานได้ก็นานแสนนานก็ลงนรกแล้วนานมากยิงจะมาเป็นเปรตออกจะเปรตก็มาเป็นอสุรกายจากอสุรกายก็มาเป็นสัตติยฉานจากสัตติยฉานนานนักกว่าจะมาเคยเป็นคนเป็นคนก็เป็นคนเลวฉะนั้นถ้าหาลูกหลานที่รักอยากจะเป็นนักสหจรก็เป็นนักสหจรที่ดีนะจ๊ะจะเป็นนักสหจรที่เลว เขากล่าวต่อว่าสุนรกนั้นว่างเปล่าไปมากเพราะไม่มีคนทําบาปหยาบชาที่จะลงไปเกิดโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งเป็นพวกของพระเจ้าในเมลาร์ที่ปกครองสําหรับเมืองอื่นเนี่ยเขายังนิยมลงนรกกันอยู่รวมความนรกว่างไปมากคนในเมืองนั้นนับเป็นเป็นร้อยร้อยล้านที่ตายไปเขาไม่ยอมไปนรกเข้าไปสวรรค์กัน เล่าเรื่องของท่านต่อไปเพ่งกล่าวว่ามูเทพีาดาทั้งหลายบนสวรรค์เช่นดาวดึงหมายความาว่าบรรดาคนของพระเจ้าในมีราชที่สร้างความดีเนะี่ยตายแล้วไปอยู่ดาวดึงกะเป็นแถวเมื่อเวลาไปชมกันก็สรรเสริญคุณงามความดีของพระเจ้าในมีราช เรียกพระเจ้าจมีเนมิราชบพ้าอาจารย์เทวดาษเข้าไปชมกันนะเขาก็าชมมาแหม่ที่เรามาเป็นเทวดาษได้เรามีวิมานได้อันนี้เรียกว่ารัฐที่วิมานแน่นะ่ะมีคนก็ตั้งให้หลวงปู่ว่าเป็นเจ้าของรัฐที่วิมานเขาบอกมีรัฐที่รัฐที่หนึ่งบนหน้ารัฐที่นี้เป็นลิง แล้วก็เ ข, เขียนไว้ว่าเป็นลิงหรือว่าเป็นหมีก็ไม่ทราบแต่หลวงปู่ไม่ได้โกรธเขามันเป็นจุดหมายมหาหลวงปู่คือคนเขาเล่าให้ฟังเขาใหจุดหมายมาเขาบอกว่ามีเจ้าของลาทิเป็นลิงเป็นลิงหรือเป็นหมีก็ไม่ทราบเข า, เ า, า, าก็ฟังไม่ชัดอันนี้ลูกหลานไม่โกรธก็นะจ๊ะนี่คนเขาเขียนมาหลวงปู่ไม่ได้อ่านว่าใครเขาเขียนมาที่ไหน เขาหาเขาบอกว่าเป็นเจ้าของลับที่บิมานที่เป็นความงโง่มันเป็นของไม่มีจริงแล้วก็มีรถใหญ่ๆเที่ยวไปแล้วก็ไปเที่ยวสอนคนบินมาน ม, มีอย่างนั้นอย่างนี้เขากล่าวว่าอันอย่างนี้เป็นเรื่องประดามปราเป็นความงโง่ของคนที่เขาเขียนหลอกไว้แต่ความจริงลุงปูมีรถอยู่หลายคัน เอรถทั้งหมดไม่ใช่รถของหลวงปู่หรอกทางราชการท่านให้มาใช้บ้างแล้วก็มีท่านผู้มีใจบุญหลายท่านให้มาค่อยๆเขายืนใช้สำหรับเอาข้าวบ้างเอาเสื้อผ้าบ้างยารักษาโรคบ้างแล้วก็อาหารการบริโภคหลายอย่างไปแจกกับคนยากจนในถิ่นทุรกันดารความจริงทรัพย์สินของปู่ที่เป็นรถเป็นรถไม่มีเลย มีทางราช ก, การท่านช่วยแล้วก็บรรดาญาติโยมที่มีความเมตตาปราณีตคนจนท่านช่วยถ้านักทายจรทายจรไปตามนี้ก็ดีดีก็มานั่งเที่ยวมินทาเขาเปน็นอันว่าหน้าจดหมายฉบับนั้นที่เขียนมาหลวงปู่ก็ไม่ได้สนใจเขคิดว่าท่านท่านผู้เขียนบอกว่าฟังไม่แน่ฉันนักว่าจะเป็นลิงแล้วเป็นหมี ก็ไปนั้นว่าตัวท่านเองนะ่ะท่านผู้เขียนออกไปนั่นนะ่ะท่านไม่ได้มีเจตนาว่าร้ายหลวงปู่เป็นแต่เพียงมีเป็นแต่เพียงว่าคนอื่นไปบอกท่านว่าลิงก็หมีก็ไม่ใช่เป็นนักลัทธิวิมานไปที่ไหนก็สอน่วิมานกันใช่เรื่อยแต่ความจริงลูกหลานที่รักฟังแล้วก็อยาโกรธนะจ๊ะเพราะว่าท่านผู้เขียนท่านไม่แน่ใจ ท่าเขียนมาอย่างนั้ น, สนแสดงว่าท่านไม่มั่นใจในคําบอกเล่าของคนที่ไปบอกท่านท่านยินดีเขียนว่าฟังไม่ถนัดว่าจะเป็นลิงแล้วเป็นหมีชอบสอนเรื่องลาที่วิมานบางทีก็ชอบนั่งกลางสนเห่ให้หายกระโลกศิษแต่ความจริงหลวงปู่ไม่เคยทําอย่างนั้นโลสิทธของหลวงปู่ไม่เคยเไม่เขาไม่กล้าทําแบบนั้นหรอก เวลาที่เขากําลังคุยกันตื่นเริงท่านลุงปู่เข้าไปเขาเงียบกันหมดลุงปู่ก็ไม่กล้าไปวางตัวแบบนั้นเพราะว่าลุงปู่เป็นพระในพระพุทธศาสนาไม่กล้าทําตัวเลวอย่างท่านพูดว่าที่ท่านว่ามาแต่คำว่าว่ามาจะไปไปโกรธคนเขียนนะจะไปโกรธคนเขียนจดหมายคนเขียนจะหมายบอกมาว่าอ่านหนังสือมาแล้วก็อย่าไปโกรธคนเขียนหนังสือ เพราะว่าคนเขียนหนังสือฟังจากคนอื่นเ้าไล่ฟังถ้ามไม่ได้ว่าอะไรมากท่านบอกว่าเขาบอกว่าอย่างนั้นและกล่าวว่าบรรดาประชาชนหลายคนจนชาวนาไม่มีรถยนต์ขี่ไม่มีเครื่องปรับอากาศไม่มีตู้เย็นต้องการข้าวแต่ความจริงหลวงปู่ก็ลงทุนซื้อข้าวไป ของที่บรรดาญาติโยมให้มาคนดีทางรัฐบาลมีท่านนายกทันตีไปหัานหน้าคือนายกเรียงศักนะดีไม่ดีเสียงนี้อาจจะออกไปนายกคนอื่นมาก็ได้ท่านนายกเรียงศักท่านให้ข้าวมาคือในนามของรัฐบาลสองพันกระสอบให้น้ำตาลมาสองร้อยกระสอบเศษให้พั่นผักให้น้ามันพืชพระบาทสมเด็จเจ้าหัวทรงพระเยาทังเงินมาสามแสนบาทเศษ แล้วก็มีคนโดยเสด็จพระราชากุยยสลของอีกมากถ้ามีบรรดาประชาชนนับหมื่นส่งของมานับเปน็นจำนวนล้านรถที่หลวงปู่ในใช้ก็เป็นรถข้ามทางราชการคือรถส่วนขาทหารบ้างแล้วก็รถของกรบกกลางบ้างที่ให้มาใช้เวลามีความจำเป็นที่เขาส่งมาช่วยแล้วก็ส่งรถมาประจำทางราชการสี่คัน แต่ของมันดาญาติโยมทั้งหลายที่เขาเห็นว่าลวงปู่ต้องเช่ารถเขาวันนึงถึงเจ็ดพันบาทรถสองคันรถบัดวันละเจ็ดพันบาทปีพศสองพันห้าร้อยี่สิบเอ็ดมีลุงปู่เดินทางเกินกว่าร้อยวันเฮ้ยน่าเสียเงินมากเกินไปใช้โดยได้ใช่เหตุและคนที่ไปทำก็เป็นข้าราชการเขาไม่มีค่าจ้างรางวัลมาทำในจิตศรัทธา แล้วช่วยออกเงินออกทองค่ารถกันเป็นความดีมากนี่หลวงปู่ทำทุกอย่างเ้าคนที่เล่าให้ฟังอาจจะเล่าไม่ละเอียดคิดว่าหลวงปู่เป็นคนรวยแต่ความจริงหลวงปู่ไม่รวยเวลานี้หลวงปู่เป็นหนี้เขาค่าข้าวค่ายารักษาโรคค่าผ้าผ่อนทนสบายค่าอาหารที่เป็นไปแจกประมาณสองล้านเจ็ดแสนบาท ก็มีคนที่ท่านมีศรัทธาตั้งใจช่วยเพราะว่าสงฆ์เขาเป็นรายเดือนเดือนร้อยบาทบ้างสองร้อยบาทหลายๆคนดีกันไม่ช้าก็คงจะหมดนี่เป็นอันว่าลิงและหมีอย่างปู่นี่ล้มปู่เขาเรียนแบบพ่าเจ้าในมีราชอาศัยที่ประบาทสมเด็จเจ้หัวคณะรัฐบาลมีท่านนายกเป็นประธานและบรรดาประชาชนส่วนใหญ่ร่วมกัน ทำคล้ายๆสมัยพระเจ้าเนมีราชเราเรื่องท่านต่อไปนะจ๊ะบรรดาเทวดาทั้าทางหลายเรียกพระเจ้าเนมีราชว่าอาจารย์เพราะเทพิดาทั้งหลายเหล่านั้นไปสเสวยที่ประสมบัติร่วมกันก็เพราะตั้งอยู่ในคำสอนของพระเจ้าเนมีราชแม้มหาชนในมนุษยโลกต่างๆก็พากัน สันเสริญสาธุการให้สาธุการมาทำความดีนี่ว่าสรรเสริญในกุศลในจริยาของท่านหมายถึงว่าคนที่ยังไม่ตายก็สรนเสริญพระเจ้าในวีลาดว่าเป็นคนดีสอนให้คนมีความสุขเทวาดาก็ชมเชยแปลว่าเกียรติคุณของพระเจ้าในวีลาดแผ่ไพศาลไป่โทษทุกคนทุกแห่งซึ่งท่านเปรียบไม่ว่าเหมือนกับนนะ้ํา น้ำมันเทลงไปในมหาสมุทรทำามอย่างนั้นการที่เอาน้ํามันเทลงไปในมหาสมุทรถ้ามันล อ, อยู่เหนือน้ําก็ปราก็ใครไปใครมาก็เห็นลูกหลานที่รักความดีเขาไมเจำกในมีลาศและความดีเขาบรรดาบุคคลทั้งหลายที่ปฏิบัติตามพระเจ้าในมีลาศไปสวรรค์สวรรค์มีจริงเลยจ้ะ แล้วก็มีได้ถ้าไม่แน่ใจไปหาท่านพนโทโธทนทอสวรณทั์ขอพบหลายของท่านคุยกันแล้วปฏิบัติตามท่านลูกหลานจะเห็นสวรรค์จริงๆอาลูกหลานที่รักทั้งชายและหญิงและบรรดาท่านพุทธมริศัทดิ์ทุกท่านการคุยกันเรื่องพระเจ้าเนมีราชปรมกษัตริย์หรับวันนี้ก็ขอต้องยุติลงแต่เพยียงนี้เพราะหมดเวลาเสีแล้วขอลากน ขอความสุขสวัสดิที่พัฒนะมงคลสมบูรณ์คุณผลจงมีดนลูกหลานี่รักธรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี